เมื่อเช้าได้ดูข่าวเพรารายงานทางโทรทัศน์ผู้ชายคนหนึ่งนะกับครอบครัวก็ไปกินกุ้งเผานะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในยุทธยานณะยุทธยาณนี่ก็มีขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเผาพอจะเก็บเงินนะลูกค้าก็มีที่ท่าไม่พอใจเพราะว่าไอ้กุ้งเผาที่เขากินเนี่ยขนาดมันเล็กกว่าที่เขาต้องการเขาก็คิดว่าราคา นะที่ทางร้านจะเก็บจากเขาเนี่ยนะมันแพงไปมันเป็นขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดนะที่ควรจะเป็นแล้วนะก็มีการไปต่อว่าว่าทำไมนะเก็บ เ, เรียกค่ากุ้งเผามันนะแพงไปขนาดมันเล็กกว่าที่เขาต้องการเจ้าของร้านก็บอกว่ามันก็ตรงกับที่เขาต้องการอยู่แล้วนะแต่ว่ากุ้งเผาเนี่ย เวลาไปเผาเนี่ยมันก็จะเล็กลงนะตัวมันก็จะหดลงมันเป็นขนาดเดียวกันแหละนะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดแพงก็คิดตามราคาตามราคาก็คือตามขนาดของกุ้งนะลูกค้าก็ไม่พอใจหาว่าเจ้าของร้านนี่โกงนะก็มีการทะเลาะกันนาทีแรกก็ถกเถียงเรยว่าโตเถียงก่อนตอนหลังทางลูกค้าก็ยอมจ่ายนะแต่ว่าเอาเงินเนี่ย เป็นพันเลยนะใส่ไว้ในตะกร้าสำหรับเก็บขยะนะไม่ได้ให้อย่างที่ควรจะเป็นเนะจ้าของร้านก็โมโหนะถือว่าดูถูกกันทะเลาะไปทะเลาะมาก็เลยต่อยกันนะก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมีการแจ้งความมีการโพสต์ขึ้น a ฟ e b o o k ทั้งสองฝ่ายความจริงมันเป็นไงก็อีกเรื่องนึงนะแต่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเรา ไปกินอาหารเพื่อหวังความสุขแต่ลงท้ายด้วยความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะใครๆก็ไปกินอาหารก็หวังความสุขนะแต่ว่ามันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ที่จริงมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะที่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็บอกความจริงบางอย่างนะในการที่คนเราเนี่ยหวังความสุขจากสิ่งเสพเนี่ย เช่นอาหารที่อร่อยหรือเพลงที่ไพเราะนะหรือกระเป๋าสวยๆรถคัน ง, งามๆเนี่ยได้มามันก็มีความสุขนะแต่ว่าเป็นสุขชั่วคราวหรือว่าเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะอาหารที่อร่อยเนี่ยมันให้ความสุขกับเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความสุขล้ลวนๆนะมันเจอไปด้วยทุกข์ด้วยทุกข์ที่ว่าเนี่อาจจะหมายถึง เงินทองที่ต้องจ่ายนะบางคนกินอาหารหรูอาหารห้องเต้ก็มีความสุขตอนกินนะแต่ตอนจ่ายเงินเนี่ยทุกเลยเพราะว่าราคามันแพงมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการกินเหล้านะนการกินเหล้านี่มันเห็นชัดอยู่แล้วความทุกข์อะ่ะแต่ตอนกินก็อาจจะเพลิดเพลิ น, นแต่ว่าเกิดทุกข์ตามมาเพราะาพอเมามา ก็อาจะขับรถนชนกันเกิดอุบัติเหตุหัวร่างข้างแตกหรือว่าพิการหรือไม่ใช่ก็ทกต่อยกันนะเกิดเป็นคดี <S <S อันนั้นยกไว้ก่อนนะเพราะว่าเล่าเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นโทษแต่ว่าการไปกินอาหารนะอย่างกุ้งเผามันก็ไม่น่าจะมีโทษอะไรมากด้วยแต่ว่ากินแล้วเนี่ยไม่รู้จักพอ บางทีก็ติดคอตายก็มีอันนี้ก็เป็นทุกแบบหนึ่งนะเพราะว่าความเพลิดเพลินนะมันอร่อยมันก็เลยลืมตัวกินแม่บรญ ญ, ญญับบรรยังนะบางคนอาจจะไม่ไม่ถึงกับตายทันทีนะเพราะว่าอาหารติดคอแต่ตายผ่อนส่งนะก็คือไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยบางคนก็ชอบกิน นะกินเนื้อนะกินไขมันกินของทอดมันก็สุกนะก็เพลินนะแต่ว่าพอไขมันสะสมนกักมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่ก็เจ็บป่วยบางคนก็อาจจะชอบกินของดิบนะอย่างชาวบ้านเนี่ยคนจีสานโดยเฉพาะเลยนะชอบกินปลาดิบนะไม่ใช่ปลาดิบแบบญี่ปุ่นนะปลาดิบแบบดิบๆเลย อร่อยนะอร่อยนี่คือความสุขแต่ว่าทุกตามมานะเพราะว่าในปลาดิบนี่มันก็มีพยาธินะพยาบาทไม้ในตับกินเข้าไปติดต่อกันเป็นสิบยี่สิบปีาอกว่าอายุสี่สิบห้าสิบก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งตับนะเพราะว่าพยาบาทไม้ในตับนี่มันเล่น ง, งานอันนี้ก็คือทุกนะ ทุกที่ตามมาหลังจากความสุขนะจากการเสรฟแต่ในกรณีตัวอย่างที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่ า, าเกิดความทุกข์อย่างที่ว่ามาแต่ว่ามันมีความทุกข์เพราะไม่พอใจไม่พอใจนะกับของที่เขานํามานํามาเสรพหรือไม่พอใจนะกับอาหารอากับราคาที่เขาคิดอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะ หรือไม่ว่าจะของจะถูกก็ตามนะราคาก็ไม่แพงแต่ว่ากินไปก็อาจจะมีความขัดเคืองนะกับรสชาติของอาหารเพราะว่าความอยากความปรารถนานะที่จะได้รสชาติแบบหนึง่งแต่ว่ามันได้มาอีกอย่างหนึง่งมันเป็นความทุกข์นะที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่แล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักหรือไม่รู้ทัน อารมณ์ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมืนก็นําไปสู่การทะเลาะวิวาทกันได้มาหาความสุขจากการกินอาหารนะแต่ลงท้ายด้วยการติดคุกติดตารางอันนี้ก็มีบ่อยๆเพราะว่ามีความไม่พอใจนะในรสชาติอาหารบางมีความไม่พอใจกับราคาที่เขาเรียกเก็บบ้างนี่ธรรมชาติของความสุขนะที่เราเสพเป็นอย่างนี้นะมันเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกนะไม่ใช่แต่อาหารอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะเป็น ข้าวของเครื่องใช้นะที่เราซื้อหามามันก็ต้องเหนื่อยนะกับการรักษานะหรือไม่ฉะนั้นก็มีความขัดข้องเพราะว่ามันไม่ไปไปอย่างที่ต้องการซื้อรถมานะก็เป็นทุกข์เพราะรถนะซื้อกระเป๋ามาก็เป็นทุกข์เพราะกระเป๋าเฉพาะเหตุใดก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่ามันเป็นสุขที่เตือไปด้วยทุกข์นะอันถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันนะ เราก็รู้ว่าเนี่ยไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะใจของเรานะที่วางไว้ไม่ถูกต้องใจที่มันมีความอยากมีความคาดหวงังหรือว่าใจที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันก็สามารถจะนํานไปสู่ความทุกข์ได้แล้วเรากินอาหารนี่ก็ถือโอกาสพิจารณาไปด้วยนะว่าเนี่ยเ อ, อทํำยังไงนะไอสิ่งที่เราเซฟเนี่ยนะสิ่งที่เราบริโภคเนี่ย มันจะให้ความสุขนะและทำไงจะให้มันมีทุกน้อยนะเช่นกินอย่างมีสตินะกิน อ, อย่างรู้จักประมาณนะแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะปล่อยวางในรสชาติอาหารนะพอไม่งั้นเนี่ยพอมีความคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่คาดมันก็ทุกนะแล้วก็ถ้าไม่รู้ท่าทันความทุกข์ใจนั้นเนี่ยก็ปัญหาก็อาจจะตามมาอีกหลายอย่าง เพียงแต่ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในอย่างที่นี่นะอาจจะน้อยนะแต่ก็ควรจะพิจารณานะว่าไอ้ความสุขในทางสิ่งในทางบริโภคเนี่ยจากการบริโภคเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสุขล้นลนะแต่มันเจอไปด้วยทุกนะซึ่งเราก็ต้องมีสติระมัดระวังไมใ่ให้ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมากนะจนกระทั่งเร า, าลืมตัวจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือเกิดเพลนเซกับตัวเอง อ่าแล้วก็เตรียมรับพร อ, อิิตังปฏิตังตุมพังขออิทธผลที่ท่านป่าธนาแล้วตั้งใจแล้วขีปาเมวาสามีชาตูจงสำเร็จโดยชาพราสาเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยาตาเหมือนพระจันนานวานเพนมณีโชติราโซโยธา เหมือนกาเมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสอพเพรยโยวิวาชนตุววานจันไราทางป่วงจงบาราปยสัพาโรคโควินาสตธุโรคทั้งป่วงของท่านจงหายมาเตพา ว, วันตระยโยอันตระ ย, ย่ามีแก่ท่านทีคายุโกพาว่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืน อาภิวาทนาสีเลสตนิจังวุทาปัจจายโนจันตารโรธรรมาวทัทฐานเดียุวันโนสุขังพลังสามสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพลัยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่เป็นทิพวารตัวสาพผามังคลังของสาพผมงคลจงมีแก่ธรรม ดูตาพัเทวตาพราเทวดาทั้งบวงจงรักษาท่านสาพาภูธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุจจาสม า, าธิธรรมานุภาเวนาะโวยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์คาาโสดทิพวันตเต ความสวัสดีทั้งรลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธิด